ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารบเรื่องผ้านาคามีวันก่อนได้ชวนบรรดาท่านพุทธสาสนิกชนตัดขาช้างขาสำคัญไปค้าหนึ่งคือขาหน้าได้แก่กามาฉันทะแล้วตัดไ้ได้หนึ่งขาแล้วก็มีความสบายใจขึ้นมามาก เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องการมฉันทะความพอใจระหว่างเพศเป็นอันตรายมากสำหรับชีวิตทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเปโตชายเตโสโกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักสิ่งที่เรารักทั้งๆ ท, ที่เราทราบอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่คนเรา เราไม่สามารถจะห้ามปรามมันได้แต่เราก็ยังฝืนรักเมื่อเราฝืนรักขึ้นมาแล้วมันก็ต้องพัดพราดจากกันตามสภาวะของมันเราก็เกิดความเสียใจที่เราเสียใจเราเสียใจเพราะความโง่ไม่ใช่เสียใจเพราะความฉลาดเพราะสภาวะทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่ของทรงตัวมันไม่ขอที่มีอันที่จะต้องสลายไป แล้วเราก็ไปรักของสกปรกแทนที่เราจะรักของสะอาดสรีระธาตุในร่างกายทั้งหมดมันเป็นของสกปรกทั้งหมดเลือดที่เราได้ยมกันว่าคนมีเลือดดีฝาดดีร่างกายแข็งแรงมีกำลังดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าพอเลือดด้านหลังไหลออกมาแล้วเราก็รังเกียจในเลือดเห็นว่ามันของเห็นว่าเป็นของโสโครกของไม่สะอาด อันนี้สําหรับน้ําหนองน้าเหลืองวจาระปัสส า, าวะนี่เกิดขึ้นมาจากท่าที่เรามีความพอใจหรือจากอาหารทั้งหลายที่ปรากฏว่าเราบริโภคเข้าไปก่อนที่เราจะบริโภคเราก็เลือกแล้วเลือกอีกแต่ในเมื่อมันเข้าไปอยู่ในร่างกายจริงๆแทนที่มันจะสะอาดมันก็เต็มในความสกปรกเต็มในความโสโครก แล้วเราก็มานั่งรักนั่งปรารถนามาเพื่อประโยชน์อะไรความจริงเรื่องนี้ที่ย้ำมากก็เพราะว่าเราโง่กันมากถ้าจะถามว่าใครโง่ก็ต้องตอบว่าคนพูดเนี่ยงโงคนอื่นจะงโง่หรือจะฉลาดอัตมาไม่ทราบไม่สามารถจะรู้ใจใครได้ได้ว่าใจของตนเองรู้ได้ว่ารู้บางว่างโง่มันนาน แล้วก็มีความทะเยธิยานมากคอมากแม้จะฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคฟังก็ดีอ่านก็ดีอ่านมามากใจมันก็ยังไม่ยอมมันก็ยังมีความปรารถนาอยู่ในเมื่อยังมีความปรารถนาอยู่เพียงใดก็แสดงว่าใจมันยังโง่ใจมันยังไม่ฉลาดแล้วก็โปรดอย่าถามย้อนมาเมื <c oughs> ่อเวลานี้ยังต้องการไหม ถาถามเวลานี้ i, ตอบได้เลยว่าหมดความต้องการแล้วถ้ ย, ยอนถามอีกคำหนึ่งถามว่าท่านเป็นพระอนาคามีแล้วหรือยังก็ตอบได้ไม่ยากว่าเรื่องพระอนาคามีจะเป็นหรือไม่เป็นไม่สำคัญเพราะเวลานี้มันแก่ใกล้จะตายคลานไม่ไหวมันก็เลยไม่ต้องการถ้ยาจยะถามว่ามีคนก็แต่งตัวสวยสดก็งามท่านมีความรู้สึกเป็นยังไง ก็ต้องตอบได้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่สมบัติข้อธรมาเย้าสวยก็เชิญสวยเจ้างามก็เชยงามเจ้าแต่งตัวแบบไหนก็เชิญแต่งไปเจให้ไปสนใจนั้นเลิกแล้วถ้าจะถามว่าทำไมาจึงเลิกก็เพราะมันแก่มันจึงเลิกถ้ามันไม่แก่มันก็คงไม่เลิกมันแก่เวลานี่มันคลัน คลายก็เกือบจะไม่ไหวอยู่แล้วถ้าจะหาตะบันสําหรับตะบันน้ํามากินได้ก็จะเอาตะบันน้ำมาตะบันน้ากินไม่ได้จะน้ำมือกินไม่เคยไหวเรื่องอะไรที่จะไปต้องการร่างกายของบุคคลอื่นมันไม่เกิดประโยชน์อันนี้ไม่ต้องเป็นพระะนาคามีเป็นเพราะตาคนแก่ไม่มีแร ง, งพอใช้ได้ เป็นอันว่าภาษาคนแก่นี่พูดอย่างคนแก่ไม่ได้พูดอย่างพระอนาคามีสําหรับพระอนาคามีถ้เห็นสภาพของคนจะสวยหรือไม่สวยก็ตามเมืถึงภาพขึ้นมาเมลัยอยากจะเจียนเหมือ น, นั้นมันเบื่อมันหน่ายมันเสียเอียนมันแสนที่จะเต็มไปด้วยความรังเกียจนี่รังเกียจสภาวะของธาตุไม่ใช่รังเกียรคน เพราะว่าคนทั้งร่างกายเนี่ยมันมีทั้งกายแล้วมีทั้งจิตใจถ้าจิตใจเข้าดีแม้ร่างกายเขาจะเต็มไปด้วยเลือดจำเหลืองน้ำหนองจะว่าจะอยู่ภายในไม่แต่หลั่งไหลมาในภายนอกเราก็รักได้เรารักใจเนี่ยเราไม่รักกายรักความดีของเขานี่เป็นส่วนหนึ่งเน้นด่างเขาพระอนาคา ม, มีมรตอนนี้มามรติสองความจริงมันมรติเดียว แต่วันตัดเป็นสองตอนก็เรียกเรียกมกทิสองตอนนี้เรามาช่วยกันตัดขาช้างขาที่สามได้แก่ปฎิฆะคือความโกรธความพยาบาท <c oughs> ความจริงวิธีตัดแบบนี้มีอยู่สองอย่างเราหาทางตัดด้วยอำนาจของปรมาหารสี่ก็ได้หาทางตัดด้วยกำนางของกษัิย์ก็ได้เอาขึ้นต้นไว้ก่อน เนี่ยเพราะกําลังกายเ พ, าเพราะกําลังจิตให้จิตมีแรงซ้อมกําลังไว้ไว้ต่อสู้กับข้าศึกคือขาที่สามของช้างให้เจอช้างนี่ตัดขาหน้าเสียขาหนึ่งตัดขาหลังเสียขาหนึ่งนั่นมันจะเดินไปไหนก็นอนกลิ้งเขโลตอนนี้เราก็เถือนก็ตามสบายวิธีตัดทํำยังไง พยาตาเตภมริหารสี่ก็มานั่งพิจารณาว่าความโกรธความพป็นบายความไม่พอใจที่เราไปเกิดมีกับบุคคลอื่นที่ก็มีปฏิปท า, าไม่ตรงกับเราไปนั่งโกรธไปนั่งรังเกียจเขานี่มันเป็นความฉลาดหรือว่าเป็นความโง่ของเราตามธรรมดายคนในโลกพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่านาทิโลกเกอนินทิโต เื่าคนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกในการที่คนเราทุกคนจะประสบอารมณ์ที่พอใจอยู่เสมอวันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างเลวเราก็เลวเขาก็เลวเมื่อต่างคนต่างเลวมันก็พบกับความขัดข้องอาการที่จะสแสดงออกมาก็ดีทางกายวาจาที่จะกล่าวมาทางวาจาทางปากก็ดี บางบาระเราคิดว่าดีแต่ว่าเป็นที่ไม่พอใจของบุคคลผู้รับฟังนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเราไปนั่งโกรธเขาทาไมถ้าเราเฉลาดยแล้วก็ไม่โกรธแต่ที่เราโกรธก็โกรธเพราะความโง่ในคนเรานี่มันจะดีมันจะชั่วเพราะการดินทาและสรนเสริญไี่ยังไงทําไมใจจะไม่คิด การที่เราดีแล้วชั่วนี่ไม่ใช่คนอื่นมาทําให้เราดีหรือว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่คนอื่นมาทําให้เราชั่วเราจะดีเราจะชั่วมันอยู่ที่ตัวของเราทําเองไอ้คําว่าตัวของเรานี่ก็ไม่ควรจะไปคิดว่าตัวคือร่างกายได้จะคิดว่าตัวก็คือจิตจิตมันเป็นอารมณ์ตั้งเป็นอารมณ์สั่งเป็นผู้บัญชาการ ว่าเจ้าจิตตัวนี้ถ้ามันดีที่อย่างเดียวคนในโลกทั้งหมดไม่มีใครชัว่วเพราะอะไรเพราะจิตรู้ไม่ใช่จิตโง่จิตฉลาดถ้าจิตมีอารมณ์เฉลียก็ต้องรู้สภาวะของคนละสัมว่าคนละสตว์ที่เกิดมาในโลกนี้มีสภาวะไม่เสมอกันมีกิเลสตัณหาปารทานอากุศลกรรมไม่เสมอกัน บางคนมีดีมากชั่วน้อยบางคนชั่วดีน้อยชั่วมากในเมื่อต่างคนยังมีทั้งความดีและความชั่วอาการสักวันหนึ่งที่อกุศลคือความชั่วมันเข้าไปบังคับจิตเขาก็ต้องพูดชั่วเขาก็ต้องทำชั่วเป็นของธรรมดาถ้าเวลาที่กรรมที่เป็นกุศลคืออารมณ์ดีมันเข้ามาโดนจิตเขาก็ต้องพูดดีเขาก็ทาดี อย่างนี้ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกถ้าจิตของเราดีเสียจริงๆมันก็ไม่ต้องไปโกรธเขาให้ความจริงจิตของเรามันระยำไปตั้งหน้าตั้งตาโกรธคนที่เขาทำตามปกติคืออยู่ในอานาจกิเลสตัณหาปาทานและกุศลกรรมที่ก็าทำเป็นนั้นเพราะอารมใจของเขาเป็นธาตุแล้วเรื่องไรล่ะ จะต้องมานั่งโกรธธาตุโกรธก็คนจะโกรธนายนายคือกิเลสความเศร้าหมองของจิตนายคือตัณหาความทะยานอยากในทางที่ชั่วนายคือปาทานตัวเกาะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรานายคืออกุศลได้แต่ความไม่ฉลาดแล้วเจ้านายตัวนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ทั้งที่เขาและที่เรา ถ้าเราอะคฆ่าคนอยาฆ่านายเขาแล้วก็คนอยาฆ่านายเราให้ฆ่านายเขานี่งคงฆ่าไม่สำเร็จเพราะมันอยู่ที่เขาเราฆ่าไม่ได้ถ้าฆ่าได้จริงๆก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราถ้าคงนฆ่านายของเขาได้เขาก็พ้นจากความเป็นทาสในในายของเราที่มันอยู่กับเรามันบังคับอยู่กับเราเราก็เป็นทาสมันต่อไป อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความโง่อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความเห็นผิดมันต้องฆ่านายเราไม่ใช่ไปฆ่านายเขาเขาทำอะไรไมาก็ตามนายเรามันสั่งอยู่เสมอไม่จงโกรธเขาจงเกรียดเขาจงอยากจะฆ่าเขาอยากจะตีเขานี่มันต้องฆ่านายเราวิธีฆ่านายเราเราก็ทำยังไง ก็กันไม่ให้นายมันเข้าบ้านเนี่วิธีกันยังไงเราก็ไปเอานายใหญ่ไปนายใหญ่บะเร่อนั่นก็คือพระ ม, มีหามสีเจ้านายเก่าเราไม่คบเราครบกันคบกันนายใหม่นายใหญ่คนนี้ท่านใจท่านดีท่านมีอารมณ์ดีท่านมีความแช่มชื่นไปที่ไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใส ก็อารมณ์ใจท่านรักไม่เรียกว่าคนแลสัตว์ไม่ได้รักเริ่มได้ของกิเลสรักด้วยความเมตตาปานีและอารมณ์ใจของท่านก็นดีเต็มไปด้วยความสงสารมีจิตใจสดใสถ้ามีโอกาสได้เกื้อกูลใครท่านมีอารมณ์เป็นสุขและอารมณ์ใจของท่านก็นเต็มไปด้วยความอ่อนโยนไม่กระด้างไม่ช้จฉาดุจยใครเห็นใครได้ดีท่านก็เชื่องอกเชื่องใจ ถ้าให้บุคคลใดเพี้ยงพรำเจอนายของเขาบังคับมากเกินไปต้องทําความชั่วมากท่านช่วยไม่ได้ท่านก็สงบทรงอารมณ์สงบมีความเฉยนายสี่นายท่านดีจริงๆท่านมีใจรมสดชื่นแล้วก็ควบนายสี่นายนีิไว้ไอ้นายเก่าขับมันไปสี่นายเก่าขับมันไป เจ้านายตัวที่หนึ่งความเศร้าหมองจิตมีแต่อารมณ์คุณมัวมีแต่รม่มงุ่นง่ายงุ่นง่านหาความสดชื่นไม่ได้ไม่เป็นเรื่องขับไปเจ้านายอยากอยากจะฆ่าคนนั้นอยากจะตีคนนี้อยากจะทํำร้ายคนนั้นไล่มันไปซะมันไม่ได้ความเดือดร้อนมันมีได้ความโหดร้ายเจ้านายดี เราป่าทานยึดนั่นเป็นของกูยึดนี้เป็นของกูนั่นเพ่งของกูนี่ผีของกูนั่นน้องของกูพ่อของกูแม่ของกูทรัพสินของกูใครจะกระทบกระทั่งไม่ได้เจ้านี้ร้ายมากขับไปซิมันทําให้ใจงุ่งงันอยู่เสมอเจ้านายตัวท้ายอากุศลคนไม่ฉลาดความโง่ไอ้เจ้าโง่ในยึดถือทั้งบัญเขาสั่งไงก็ทําตามไม่ครบไล่ไปซิ ไล่เปิดไปหมดไอ้นายสี่นายนี่ครบไม่ได้ครบมันไว้เพียงใดมันมีแต่วความทุกข์มีแต่วความเดือดร้อนหาเรื่องเปลืองความสุขความสุขที่มีอยู่ก็สลายไปเพราะนายมันชั่วเรามาคบนายใหม่ท่านใจดีมีแต่วความสดชื่นท่านมีแต่วความเมตตาปราณีคิดจะฆ่าใครไม่มีมีแต่วความรักคิดจะยืดอแย้งทรัพย์สินเขาไม่มีมีแต่จะให้ ไอ้ชาดิสัญาใครก็มีมีแต่ความเย็นดีเมื่อบุคนอื่นเขาได้ดีเมื่อคนใดก็เพี่ยงพรมท่านช่วยเหลือไม่ได้ท่านก็ตั้งจุดอยู่ในความสงบพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อครบนายใหม่สีนายก็มาจนเต็มกําลังใจนายก็มาคลองเต็มที่แล้วก็ชวนนายพิ่เจรณาหาความจริงนายสีนายนี้ท่านฉลาด นอกจากจะลาดท่าก็มีทรัพย์สินมากท่านเลี้ยงอ้วนเลี้ยงศินสิ้งอ้วนเลี้ยงสมาธิสิ้นอ้วนเลี้ยงปัญญาอ้วน้วยเมื่อศินบริสุทธิ์สมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิดีปัญญาก็เกิดเกิดจากไหนเกิดจากนายสีนยน่นที่ท่านเลี้ยงเพราท่านเป็นคนรวยทําให้อารมณ์ใจศินอิ่มน้าสําราญอ้วนเทวีมีกําลัง ทำใ่้สมาธิจิตทรงตัวมีกําลังแ ล, รรล้วก็ทําให้ปัญญาเฉลียวฉลาดความสามารถมันก็เกิดตอนนี้เป็นยังไงชวนท่านก็ถามท่านที่วันนายไอ้คนเราที่เกิดมาที่ต้อมาฆ่ากันมาโกรธกันเนี่ยมันเป็นความสุขหรือความทุกข์นายท่านก็จะตอบว่ามันเป็นความทุกข์ลูกเอ้ย จะทำไมโกรเขาทําไมจะทไมฆ่าเขาทําไมตามปกติเขาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วก็ทุกข์จากความหนาวความร้อนความหิวความกระหายแล้วก็ถามท่านต่อไปว่าไอ้ความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดเกิดเพราะอะไรท่านยะตอบว่าเกิดเพราะปัญหาความทะยานอยากความโง่มันช่วยให้เกิดทุกข์ด้วความโง่ความต้องการความเกิด แล้วก็ไม่ต้องการแก่ไม่ต้องการป่วยไม่ต้องการตายมันหนีพ้นได้ที่ไหนเพราะความเกิดมันเป็นปัจจัยของความป่วยความแก่ความตายความพัดแา่จากของรักของชอบใจนี้ก็ถามนายท่านต่อไปวันนายถ้าเราจะไม่เกิดมาเพื่อความเป็นทุก์อย่างนี้เราจะไม่เกิดเพื่อความโกรธความพยจารณ์ไม่ต้องการการประหารประหารกันเพราะการคิดอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ นายจะทำยังไงยี่นายท่งนกจะตอบว่ามันไม่ยากนี่ลูกเอ๋ยเจ้าก็ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงเถอิดูว่าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันมีอะไรเป็นมีอะไรเที่ยงบ้างมันไม่มีอะไรทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีการสลายตัวไปใ น, นิสุด ท่านก็จะบอกว่านโน่นเนี่ยเป็นดูที่พระพุทธเจ้าท่านสอนลูกชายพระช่างทองลูกชายพระในช่างทองมีอารมณ์เต็มไปได้วยโทสาจริตองสมเด็จพระธรรมสามิตรทรงแนะนำให้ใช้พิจารณาคือเพ่งกัลสินได้แก่โลหิตกระสินอื้นดอกบัวสีทองดอกบัวทองคำเป็นสีแดง นั่งเพ่งพิจารณาหลับตาดูสีแดงลืมตาดูสีแดงจาได้หลับตาเนึกถึงภาพสีแดงพอสภาพเลือนหายไปให้ลืมตาดูใหม่ดูจำได้แล้วก็หลับตาเนึกถึงภาพสีแดงย่อตั้งสีแดงจับใจจิตเป็นสมาธิขึ้นกลายเป็นสีเหลืองพิที่น้อยดัน้อยเหลืองเหลืออ่อนไปอ่อนไปจนขาวเป็นประกายพุทธ แล้วก็แปรเรล่าเรียกว่ามีอารมณ์จิตเป็นฌานตอนนั้นองค์สมเด็จพระพ毗ธิตามารพิจารณาว่าพระองค์นี้ทรงฌานโลกได้แล้วเดืทรงฌานโลกีได้แล้วระงับความโกรธได้แต่หัข้ามความโกรธไม่ได้ตัดไม่ได้หรือ ว, ว่าห้ามช่างขาช่าง ข, า, ขาที่สามาให้เดินได้แต่ว่าห้ามไม่เดินไม่ชั่วคราวแต่ตัดขาขาดไม่ได้ จะตัดยังไงมันจริงจะขาดองสมเด็จพระบรมาโลกระหนายก็อดีตฐานในดอกบัวนั่งเหี่ยวแห้งลงไปเธอลืมตาขึ้นมาเห็นดอกบัวเคยผ่ อ, องใสว่าโอหนอยเอา้าดอกบัวแห้เหี่ยวไปซะแล้วแห้งไปซะแล้วคลายความสวยหลับตาต่อไปจะลืมตามาสมเด็จพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้าทําดอกบัวกรีบหล่นลงไปสมุดแล้ว เป็นอันว่าก็เธอก็พิเจอนานดูก็เอ้ยว่าดอกปัวนี่ทีแรกที่มันเป็นทองคำมีสีแดงสดใสเมื่อจะครู่นัเหี่ยวแห้งไปเวลานี้ใบก็ร้อยกรีบก็หล่นเกสรก็หล่นผักก็หายก้านก็หักมีสภาพวาชีวิตของเรานี่มันก็เป็นสภาพอย่างนี้มีความเกิดก็นในเบื้องต้นแล้วก็มีการสลายตัวไปด้วยาำกลาง มีการคลายตัวเป็นธรกรามมีการสลายทัวไปในที่สุดเราจะมานั่งยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเพื่อประโยชน์อะไรการยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรานี่มันเป็นสภาวะของความโง่ไม่ใช่สภาวะของความฉลาดเมื่อใจไม่โง่แบบนี้ใจเราจึงมีทุก ขันห้ามีสภาวะเป็นปกติของมันเมื่อไม่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความคลายตัวไปทำกลางและมีการสลายตัวเปน็นในที่สุดเหมือนกับดอกโบวที่เราเห็นจำใสยอยู่เมื่อกี้ต่อมามันเหี่ยวแห้งแล้วมันก็สลายตัวไปแต่ว่าพระเจ้าทอง น, นี้ไม่ตัดได้แต่โทสะอย่างเดียวท่านเหาะไปถึงความเป็นพระอาหารหันเลยตอ น, นี้สุดท่านก็เข้าถึงความเป็นอรหาาันตผล แต่ขวกเรายังไม่เอาง่ายก่อนเรามาแวะกันขั้นข้นนาศนาคามีก่อนเมื่อจิตใจของเราตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหารสี่ก็ดีเรื่อทรงอยู่ในโลหิตกับสิงห์ก็ดีก็มาคลายอารมณ์ตัวนี้เสียว่าร่างกายของเราในเมื่อมันไม่ส่งตัวร่างกายของบุคคลอื่นก็ไม่ท่งตัวการคิดคิดว่าทุศรายมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ อารมณ์เมตตาปราณีเป็นาการของความสุขแต่ในที่สุดคนทุกคนก็ต้องายหมดจิตเราก็จะกำหนดตัดอารมณ์ของความโกรธคือไม่ยึดถืออารมณ์ร้ายต่อไปเราจะปักใจไว้โดยอย่างเดียวคือว่าคันห้ามันไม่เที่ยงแล้วแล้วก็ตรงทำจิตของเราให้เที่ยงคือเที่ยงอยู่ในอำนาจของพเมหรหันตีเพียงเท่านี้ดบบรรดาท่านพุทธบริษัท จิตใจทางเท่านั้นหลายก็จะเต็มไปได้วยความขึ้นบานมีแต่ความหันษาเมื่อจิตเป็นเอกัคตารมณแบบนี้แล้วเห็นว่าสภาวะร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโลกีวิสัยเป็นปัจจัยของความทุกข์โลกุตระวิสัยเป็นปัจจัยของความสุขเราต้องการความสุขคือพระนิพพาน ถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆอารมณ์ใจเขาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็สามารถจะตัดการมฉันทะคือความรักในเพศเส้นได้อย่างเด็ืขาดความรู้สึกในเพศจะไม่มีในอบรยการแห่งโทสะความย่ำบาดหรือความกระทบกระทั่งจิตที่คิดประทุษร้ายจะไม่ปรากฏแก่เราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความดี ที่เราปฏิบัติตามกระแสวัฏธรรมทศนาเขาองค์สมเด็จะสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินหน้าคบนายใหม่คือพรหมีหันศรีแล้วก็พิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ไม่สมัยช้ามันก็จะพังจะไปนั่งโกรธจะบ้านเก็ประโยชน์อะไรจะทําลายจิตใจของเราให้หมดจากความสุขเพียงเท่านี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทอารมใจของท่านก็เยับค้นจกความทุกข์เดินหน้าข้อความรักกับความโกรธ อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดเรียกว่าพระอนาคามีผลอรันดาท่านพุทธศาสนิกชนโดยเวลาที่เสด็จจะคุยกันวันนี้ส็หดแล้วต่อทานนี้ไปขอสาว่าขอองค์สมเด็จพระปฏิแก้วงสมเอาตรงอารมณ์พิจารณาเพื่อความเป็นพระอนาคามีตามที่ท่านต้องการจงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านสาธนาเสด็จ